หทุดงขวักหมวดว่าด้วยทุดงถืออยู่ป่าเป็นต้นส4่สาท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ถืออยู่ป่านี้มีห้าจำพวกคือ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 เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลาวความเงียบสงดและเพราะอาศัยว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้จึงอยู่ป่าอุบาลีภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีห้าจำพวกนี้แลท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาตมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้า ละภ ja. ิกษุผู้ถ um. ือผ้าบางสุกุลมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้ามีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถืออยู่กลางแจ้งมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละ ภิกษุผู้ถือทรงผ้าสามผ de e ืนม so ีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถือเที่ยวตามแถวมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถือการนั่งมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถืออยู่ในอาสนะตามที่จัดไว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้า และภิกษุผู้ถือนั่งฉันนัอาสนะแห่งเดียวมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าละภิกษุผู้ถือการห้ามพัดที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าและภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาตรมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทนี้มีห้าจำพวกห้าจำพวกคือ 1. เพราะเป็นผู้โง่เขลางมงายจึงถือการฉันเฉพาะในบาท 2. เป็นผู้มีความปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงถือการฉันเฉพาะในบาท สามเพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรสี่เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสันเสริญจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรห้าเพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลาความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการฉันเฉพาะในบาตร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 ถืออยู่ในที่กลางแจ้งถือทรงผ้าสามผืนถือเที่ยวตามแถวถือการนั่งถืออยู่ในอาสนะตามที่จัดไว้ถือนั่งฉันนอาสนะแห่งเดียวถือการห้ามพัดที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังถือฉันเฉพาะในบาท